พวกเรามาเยอะนะฮะวันนี้รู้สึกชาวอินเทอร์เน็ตจะเยอะมากพิเศษก <c oughs> ารสุรวัตรพามาเหนอเองะ้อก็จะาเวเวลาเราขับรถเราก็รู้ว่าเราขับรถแต่ว่าเหมือนกว่ามีผอันนึงหรือว่ามีใครคนหนึ่งกนะ็บอกเราว่าเรากาลังขับรถอย่างี้ก็มาวาถูกนะ ให้เรามีความรู้สึกเหมือ น, นเห็นคนคนเนี้ยขับรถอยู่มีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่นะอย่างนี้ใช้ได้นี่ขับไปขับไปถูกเขาปาดหน้าไอคนนี้โมโหแล้วอีกคนหนึ่งก็ยังเป็นคนดูอยู่เห็นี่คนนึง ม, มันโมโหอย่างเนี้พอไหวไมไหวแล้วอีกคนหนึงที่คือเขาจะคอยบอกว่ า, วาเรากําลังโกแล้วนะเรากำลังมากนะเออนะ่นั่นแหละให้มันมีสองคน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 อ้าวมันเกิดอะไรขึ้นมันมันอ่อนไปนิดหนึ่งกระจายนะจิตจันสุรวัตรทําในรูปแบบไม่ไม่ได้ทำเลยนะสสเลยนะไว้พราสวดมนต์เลยทําไว้พราสวดมนต์หน่อยก็ยังดีแต่ว่ายืนเดินนั่งนอนนะจันสุรวัตรยืนเดินนั่งนอนเรารู้รูปยืนเดินนั่งนอนไปด้วยก็ได้ ดูจิตล้วนๆบางทีกำลังตกไปบางช่วงจะเบลอๆเรานั้นถ้าเราเอารูปมาช่วยรูปมันหยาบหน่อยช่วยแต่อยู่ที่จริตนิสัยนั้นอาจารย์สุรัต์ต้องไปสังเกตเอาว่าไปดูรูปแล้วดีขึ้นลรืมแย่ลง mm hmm. ออาแต่เวลา mm hmm. อะไรตกล่ะ mm hmm. จิตมันตกไปไหนจิตมันไม่มีตกจิตมีแต่เกิดกระดับ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 อ้าโยมทางนี้มาจากไหนกั น, อ, อ, กนอะไรนะอ๋ออ้อมใหญ่ฝึกมาจากไหนอมากันหลายคนไห ม, ไมเคยหัดไหมผู้หญิงอะ่ะฝึกมาแบบไหนล่ะหลายแบบเนาะหลายแบบก็ไม่เป็นไรนะ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 เห็นคนอื่นโลภเห็นคนอื่นโกรธเห็นคนอื่ น, นหลงนะใจเราจะเป็นกลางกับทุกๆสภาวะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกนหะน้าที่ของเราเนี่ยคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไว้นี่เราจะรู้สึกกายรู้สึกใจได้เลยถ้าใจไม่ลอยไปนะปกติเราจะใจลอยทั้งวันในโลกนี้หาคนที่มีสติแท้จริงนี่นะหายากที่สุดเลยสติที่พวกเรามีนี่นสติอย่างโลกโลก ไม่ใช่ตัวสัมมาสติแท้ๆสติโลกโลกเป็นสติที่ใช้เรียนหนังสือนะใช้ทํางานใช้ขับรถอะไรเงี้ย stream, อยู่กับโลกโลกตัวสัมมาสติเนี่ยเป็นความระลึกได้ระลึกได้คือรู้ทันนะระลึกได้ถึงกายที่กําลังปรากฏระลึกได้ถึงจิตจิตใจที่กําลังปรากฏเป็นคอยรู้กายคอยรู้ใจคอยรู้กายคอยรู้ใจเรื่อยๆ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 การที่เห็นว่าร่างกายนี้จิตใจนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ทุกบ้างสุขบ้างเนี่ยยังเห็นไม่ตรงคําสอนพระพุทธเจ้าทีเดียวเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์นี่ทําไงเราจะเห็นตรงคําสอนพระพุทธเจ้าได้คอยรู้สึกตัวไว้เราจะยืนจะเดินจะนั่ ง, จ ะ, งจะนอนนะไปรู้สึกไว้อย่างเรานั่งอยู่ตอนนี้นั่งให้สบายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อยล้ความเมื่อยเบียดเบียนความทุกข์มันมาถึงแล้วเราก็ขยับเปลี่ยนอิริยาบถหนีความเมื่อยไป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 ใช่ใชมันต้เห็นเองอย่างตอนนี้จิตสงสัยทราบไหมจิตสงสัยเกิดขึ้นจิตรู้ก็ดับเนี่ยพอจิตรู้เกิดขึ้นรู้ว่าเมื่อกี้สงสัยนะจิตที่สงสัยก็ดับหนันง่ายๆนะอย่างจิตเผลอจิตเผลอนี่อย่างเราใจลอยไปเราใจลอยใจลอยนี่จิตเราเผลอไปหรือเราแอบไปคิดคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรารู้เรื่องที่เราคิดในขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดเนี่ยเราจะรู้กายรู้นใจตัวเองไม่ได้ เมื่อไรเริืมกายลืมใจตัวเองนะเมื่อนั้นไม่ได้ทำวิปั ส, สนาแนละ้วิปั ส, สนาคือการรู้กายรู้ใจตัวเองรู้จนเห็นจริงละวางได้นะก็ถึงนิพพานาไม่เป็นไรแรกๆมันจะเจือความคิด ต, ต่อไปจะเห็นเลยจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมานะดับไปนะมีช่องว่างเล็กนิดหนึ่งมาขั้นนิดหนึ่งอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปอีกจะเห็นวนะ่ามันคนละดวงคนละดวงกัน อันนั่นแหละนั่นแหละจุดเล็กๆนั่นแหละนั่นแหละคือจุดที่รู้ละ่ะถัดจากนั้นจะเริ่มคิดครั้งใหม่ะนะงั้นอย่างอย่างส่วใจเราฟุ้งซ่านไปหรือใจเรากำลังใจลอยไปเนี้ยขณะที่รู้ว่าใจลอยนะขณะนั้นทุกอย่างจะนิ่งว่างไปหมดเลยนะความฟุ้งซ่านความใจลอยหรือกิเลสตัณหาทั้งหลายจะมีขึ้นมาไม่ได้เลยในจุดนี้แต่ว่าจุดนี้เล็กนิดเดียว จุดนี้เล็กนี้เดียวก็คือสภาวะของตัวจิตที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมา น, นั่นเองแต่ว่ามันทรงตัวอยู่ได้ด้วยคณิกะสมาธินะั่นมันอยู่ชั่วขณะแว บ, บเดียวก็ดับนะดับไปอีกนะยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าเราใจลอยใจลอยใจลอยมาชั่วโมงลนะเกิดระลึกขึ้นได้รู้สึกตัวแว บ, บขึ้นม า, าใจลอยตัวนี้ยใจจะโล่งหมดเลยนะจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะสงบสะอาดสว่างนะอยู่ในพริบตา น, นั่นเอง จิตในจิตดวงนั้นนะจะเบามีลักบตาอ่อนโยนมีมุตุตาจิตดวงนั้นควรแก่การงานเพราะไม่ถูกกิเลสนิวนรอบงําจิตดวงนั้นคล่องแคล่วว่องไวไม่แข็งไม่หนักไม่แน่นไม่ซึมไม่ถื่จิตดวงนั้นรู้ทุกสิ่งทุกอ ย, อย่างอย่างเป็นกลางรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแทรกเนี่ยจิตดวงนี้เองที่เกิดขึ้นมาแว บ, บหนึ่งเนี่ยถ้าจิตดวงนี้เกิดแวบบแวบบแบบบ่อยๆนาะทีขึ้นมาบ่อยๆมันจะมีความรู้สึก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 เด็กก็รู้จักนะเด็กก็ดูเป็ดแล้วขที่อยู่กับูกับคนน่าเราก็คุยไยอ๋อไม่ดีต้องต้องเกิดอารมณ์แรงๆถึงจะเห็นเช่นคุยๆแล้วเพื่อนมันขัดคอมโมโหโมโหแล้วก็เห็นว่ามโมโหนะงั้นหัดใหม่ๆท่านสอนบอกอยากคลุกคลีคลุกคลีแล้วก็คือต้องพูดเยอะพูดเยอะดูยากนะสอนกินน้อยนอนน้อยนะพูดน้อย ไม่ ค, คลุกคลรู้สึกตัวบ่อยๆนั่นคุณเสื้อขาวอ่ะใจลอยไปแล้วอย่างนั้นไม่เอานะดูออกไหมมันหลงนะจิตใจนั้นเนียกจิตหลงหลงไปิดคิดอ้อาวคุณนันที่ใส่แว่นตาเนี่ยเมื่อกี้ทําอะไรอยู่เมื่อกี้กําลังทําอะไรโยม อ, ะอ่ะฮะอ่าเติมคําว่าหลงหน่อยเมื่อกี้กําลังหลงคิดอยู่ โยมนึกออกไหมตอนที่ะโยกคิดนะโยมรู้เรื่องที่คิดใช่ไหมแต่โยมลืมกายลืมใจตัวเองนึกออกไหมเมื่อไหร่เราลืมกายลืมใจตัวเองเนี่ยเรียกว่าเราขาดสัมมาสติสัมมาสติเนี่ยสำคัญมากอวันนี้หลวงพ่อต้องตะโกดแข่งกระเด็กชักเหนื่อย <c oughs> เรียนที่ไหนไม่โดนนะ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 เอาไปเล่นบ้านโน้ยก็ได้บ้านโน้นมีเด็กชอบเล่นเดี๋ยวก่อนนะเหนื่อยตะโกนแขกกับเด็กเนี้ยสู้เด็กไว้ไหวเออเสียงเด็กยังนกกระยางเนะ่ยช่วงหลังๆเยอะวันนี้ค่อยเงียบหนะ่อย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 เข้าใจความจริงของจิตใจจิตใจไม่เที่ยงเลยหมุนเวียนเปลีป่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจความจริงนี้ได้นะใจก็เข้าถึงธรรมะเนีนธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับนะไม่ใช่เรื่องอะไรประหลาดประหลาดธรรมะเนี่ยไม่ต้องหลับหูหลับตาซืมตาขึ้นมาก็มีธรรมะนะหลับตาก็มีธรรมะจะยืนจะเดินจะนั่ ง, จ ะ, งจะนอนก็มีธรรมะก็คือทุกๆอย่างทุกๆขณะนั้นเรามีกายกับใจของเราแ่นอน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 ในขณะที่เราเผลอไปดูเช่นเราเห็นคนเดินมาเราไปมองเขาสมมุตินางงามจั ก, กรวาลมาเราไปดูเขานะตามดูเขาในขณะที่เราเห็นเขาเนี่ยเราจะลืมตัวเราเองหลวงปู่ดูลย์เขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกนะเราจะลืมตัวเราเองเราได้ยินข้างบ้านคุยกันผัวเมียเขาซุบซิบซุบซิบอยู่ในบ้านเขานะเราอยากรู้เรื่องมากเลยเขาินทาเรารู้เปลนะแล้วก็ใช้ทิพย์ผโสตแอบฟังนะตั้งใจฟังให้คนในบ้านเราเงียบฟัง ขณะที่เราตั้งใจฟังเขาเนี่ยเราจะลืมตัวเราเองหรือในขณะที่เรานั่งคนเดียวเราก็นั่งคิดไปเรื่อยๆบางครั้งสามชั่วโมงคิดอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยอันนี้หลงสุดขีดเลยบางครั้งคิดรู้เรื่องที่คิดขนาดคิดธรรมะนะคิดธรรมะยังง้นอย่างนี้คิดถึงครูบาอาจารย์สอนเราอย่างนั้นอย่างี้ในขณะที่เราคิดเรารู้เรื่องที่คิดเนะี่ยเราจะลืมกายลืมใจตัวเอง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 คือเราตื่นมาแต่ตัวแต่ใจของเราเนี่ยไปวนเวียนอยู่ในโลกของความคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับหลับไปแล้วเราก็ฝันต่อไปอีกเราวนเวียนอยู่ในความคิดตลอดเวลาการที่เราไปวนเวียนอยู่ในโลกของความคิดเราก็ออกห่างจากโลกของความจริงความคิดกับความจริงมันตรงข้ามกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตเราแอบไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะเรารู้ว่าจิตแอบไปคิด ทันทีที่เรารู้ว่าจิตแอบไปคิดจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดทันทีเราจะรู้สึกตื่นขึ้นมาในฉับพลันใครที่ตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้ตัวเลยว่าตื่นขึ้นมาละตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่ตื่นอย่างโยมแม่ปออย่างเงี้ยค่อยตื่นขึ้นมาละรู้สึกบ้างไหมรู้สึกไหมมันตื่นมันตื่นจริงๆคำคาว่าผู้รู้ผู้ตื่นมันตื่นจริงๆ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 รู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนะคนละอ่านกันเรื่องที่จิตคิดเนี่ยเช่นเราคิดถึงเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราดีอย่างนั้นเพื่อนเราดีอย่างนี้เรื่องราวเหล่านี้หาสาระอะไรไม่ได้เป็นสมมุติบัญญัติแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตของเรากําลังแอบไปคิดคิดเรื่องอะไรก็ได้รู้แต่ว่ามันแอบไปคิดเนี่ยจิตจะหยุดคิดในฉับพลันจิตจะตื่นโปร่งขึ้นมาในฉับพลันเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความตื่น เมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยกายนี้ใจนี้จะไม่ใช่ตัวเราในฉับลันเพราะความจริงแล้วตัวเราไม่มีไม่เคยมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรความสำคัญผิดเกิดจากความคิดนั่นเองทำให้เราคิดเอาว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราจริงๆทั้งๆที่จริงๆไม่มีนะมันคือความเห็นผิดความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราเนี่ยภาษาแขกเรียกว่าสักกายะทิฏฐิ ถโสดาบันละสักกายทิฏฐิได้ไม่ใช่ละอะไรหรอกละสักกายทิฏฐิละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราได้ความเป็นเราของกายของใจนี่เกิดจากความคิดล้วนๆเลยถ้าเมื่อไรเราหลุดออกจากความคิดรู้ลงที่กายกายจะแสดงทันทีว่าเขาไม่ใช่ตัวเราเลยเขาเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่จิตมาใส่อยู่ถ้าพูดให้ตรงกับปริยัติที่บอกมันเป็นรูปอันหนึ่งเป็นรูปเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุ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 คนที่เห็นว่าจิตเป็นเราเนขะายัางมีสักยัติทิฏฐิอยู่เพราะงั้นเราจะต้องตื่นออกมาให้ได้เราจะต้องหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันให้ได้ต้องรู้สึกตัวให้ได้เห็นไหมภาษามีต่างๆกันนะครูบาอาจารย์บางท่านบอกให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวคือไม่เป็หลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันบางท่านบอกให้ตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเก็คือไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งแต่ว่าตื่นขึ้นมา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 ทันทีที่รู้สึกตัวก็จะเห็นแล้วว่ากายไม่ใช่เราจะเห็นทันทีนะไม่ใช่เรื่องยากแต่การจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยเป็นเรื่องยากที่สุดนะเพราะจิตเป็นของประ น, นีตเราแล้วก็เกิดดับรวดเร็วมากเราไม่ดูไม่ทันหรอกนั่นะเราต้องค่อยๆหัดรู้หัดหัดสังเกตไปนะเริ่มต้นสังเกตหยาบๆก่อนนะจิตใจของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกัน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 ตอนนั้นจะวักแวกวักแวกไปเรื่อยตอนนี้ใจของเราตั้งมั่นในการฟังธทำใจไม่เหมือนกันนี่จิตของเราไม่เหมือนกันเลยแต่ละขณะแต่ละขณะหัดรู้ไปแต่ละเวลาไม่เหมือนกันต่อไปดูได้ละเอียดขึ้นสติปัญญาว่องไวขึ้นจะเห็นว่าแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันขณะที่ตาเรามองเห็นความรู้สึกก็ไปอย่างหนึ่งขณะที่หูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็ไปอย่างหนึ่งยกตัวอย่างอย่างคนแก่ๆอย่างหลวงพ่อเนี้ย ฟังเพลงรุ aine, ่นโบราณแลรู้สึกเพลาะนะศุนทราพรอะไรเงี้ยเด็กสมัยใหม่ฟังแล้วบอกไม่รู้เรื่องเลยอะไรก็ไม่รู้ยืดยั้งนะหลวงพ่อได้ยินเสียงเพลงโบราณโบราณแหมมีความสุขไหมจิตมีความสุขหูได้ยินเสียงจิตมีความสุขเยหน้าที่ของเราเรารู้ทันว่าความสุขเกิดขึ้นแล้วได้ยินเสียงเพลงสมัยใหม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยเด็กร้องอะไรก็ไม่รู้ง้องแง้งง้องแง้งฟังไม่ออกสักคําฟังแล้วลาคาญเนี่ย ลำคาญนะเสียงกระทบหูใจลาคาญรู้ว่าลาคาญนี่ปฏิบัติง่ายๆอย่างนี้เราสามารถปฏิบัติได้ทุกคนนะในชีวิตจริงๆของเราถ้าใครฟังซีดีหลวงพ่อจะได้ยินหลวงพ่อพูดเล่าเรื่อยๆสมัยหลวงพ่อปฏิบัติเนะี่ยหลวงพ่อเป็นข้าราชการนะทํางานอาที่ละห้าวันตื่นนอนวันจันทร์เนี่ยพอนึกได้ว่าวันจันทร์เนีหมใจกระทบความคิดนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะใจแห้งแล้งเลยพวกเรานักเรียนก็เหมือนกันใช่ไหมตื่นมาวันจันทร์สดชื่นไหม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 ถ้าไอาย้ยีเห็นพัดลมแล้วรู้สึกอยากได้กลับบ้านรู้ว่าอยากได้เอออย่างนี้ค่อยเป็นนักปฏิบัตินะนะงั้นเมื่อตาเห็นรูปนะความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจรู้ความรู้สึกของเราไม่ใช่รู้ว่าไปเห็นอะไรเข้านะโได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงหมาเห่ากลางคืนเราจะนอนเห่าไม่เลิกนะไม่ใช่รู้ว่าหมาเห่านะรู้ว่าหมาเห่านะใครๆก็รูนะ้คนไม่ปฏิบัติก็รู้รู้ไมห ม, มาเห่ารู้จักไหม เนไหมเด็กไม่ได้ปฏิบัติจะรู้นะใครบอกไม่รู้อายเขานะเหลวงพ่อชอบมากเลยว่ามีเด็กๆมานั่งเนี่ยใครบอกดูจิตไม่เป็นหลวงพ่อจะถามเด็กแลเด็กมันดูเป็นเด็กโกรธก็เป็นเคยอิจฉาน้องบ้างไหมเห็นไหมอิจฉารู้จักไหมอิจฉาเด็กแค่นี้ก็รู้จักนะกลัวเคยกลัวอะไรบ้างกลัวจิ้งจกเห็นไหมรู้จักกลัวใช่ไหมความรู้สึกกลัวเป็นยังไงรู้จักใช่ไหมเห็นไหมเด็กก็เป็นนะ ให้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นน่ะคอยรู้ไปรู้ลงไปทีละขณะขณะความรู้สึกของเราเปลี่ยนตามการกรนะทบมีผู้ชายคนหนึ่งมันนั่งฟังนะชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาคลานมาบอกหลวงพ่อบอกผมปฏิบัติเป็นละถ้าผมออกจากสารานี้ได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าดอกไม้หอมนี่ยแบบเดียวกับอาี้เลยเห็นท่าลมอนะ่ะดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมใครมันก็รู้นะแต่ถ้าดอกไม้หอมแล้วใจเราชอบเนี่ย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 นะเราเห็นหน้าคนนี้ห้นะคนนี้ปากปีจอถาวรเจ็ดชั่วโคตรนะเห็นหน้ามันนะรู้ว่าเดี๋ยวมันต้องมาว่าเราลนะเรานักปฏิบัติชั้นดีเรารีบจ้องจิตไว้ก่อนมันว่าเราจะได้ไม่โกรธไอ้นี้นะับปฏิบัติชั้นดีเ่ า, เนะเ ร, า, า ร, เร่บจ้อปจอิตไว้ก่ อ, อ, อกนมันวะ่าเราจะได้ไม่โกรอ้นี้นาบปฏิบัติชั้นดีเรารีบจ้องจิตไว้ก่อนมันว่าเราจนได้ไม่โกรธไอ้นี้นับปนิ่งติชั้นดีเราปีจอเดิตไเนี่เน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 ค น, นัี่เคยมาเนี่ยเคยเห็นจำได้อยู่ไปฝึกมาจากไหนล่ะเนี่ยแล้วหลไยๆอย่า ง, ออางเอาสติไหมถ้าเรามีสติเป็นนะเราเข้ากรรมฐานวัดไหนก็ได้นะนะเช่นเราไปเข้ากรรมฐานอาจารย์สอนพุโทโธเราเขพุโทโธได้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วเคยเป็นัหมพุโทโธแล้วใจหนีไปที่อื่นรู้ทันว่าใจหนีไปคิดแล้วนี่ใช้ได้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 ใครเคฝึกพองยุบ ก, ก็พองยุบไปพองยุบไปแล้วก็จิตหนีไปเที่ยวรู้ว่าจิตหนีไปเที่ยวพองยุบแล้วจิตไปเพ่งท้องรู้ว่าเพ่งท้องเนี่ยรู้ทันจิตเหมือนกันอย่างนี้ก็ไปได้อีก <semua S 1> นคนบางคนเดินจงก okay. รมยกเท้าย่างเท้านะขาซ้ายขาขวาเห็นร่างกายมันเดินไปเดินไปเดินไปบางทีใจก็ไปเพ่งเท้าบางทีใจก็หนีไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันใจไว้รู้ทันจิตรู้ทันใจไว้ งั้นถ้าจะฝึกดูจิตเนี่ยกรรมฐานอะไรนะไม่เลือกเลยได้หมดเลยเกิดทั้งดูหนังดูละครอย่างฝึกได้เลยนะเนี่ยพูดอย่างนี้พวกเราก็มีกําลังใจเลยนะเราดูทีวีนะสมมติหนุ่มหน่ ม, หนมเห็นนางเอกมันสวยใจมันชอบแนละ้วชอบรู้ว่าชอบนะนะผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงเห็นนางเอกก็มักจะนิยมยกย่องนะยกเว้นขี้ฉาจริงนะเห็นนางเอกก็อิจฉาเขาอะไรเงี้ยนะนานๆเจอรายหนึ่งส่วนใหญ่เห็นนางเอกก็คอยรุ้นเอาใจช่วยนะ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 หรอทั้งจีวรหนึ่งนี้นะจีวรตาถ้าใครอยู่ใกล้ชิดตาจะรู้ว่ามันเปียกน้ําแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆท่านลุยลงไปในคลองอีกทๆในขวดในบ่อลุยลงไปจนจีวรเริ่มเปียกน้ําเน้นบอกหยุดก่อนแค่นั้นพอละนี่เป็นการทดสอบเองคล้ายๆหนังจีนนะให้คลุกเข่าเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็สอนกรรมาฐานนะนั้นเป็นการดัดนิสัยให้ลดมาน่าละทิชชี่ซก่อนอ้าวหลวงพ่อขึ้นมาได้นิมนต์ขึ้นจากน้ํำมา เนนทุชี้ให้ดูบอกมีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งมีรูถกรูนะบอกท่านอุดซะห้ารูนะท่านฝ้าไว้รูเดียวเดี๋ยวท่านจะจับ้สัตว์ตัวหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในจำปลวกนี้ได้นในตำราบอ ก, บอกเคี่ยตัวหนึ่งหลวงพ่อยังไม่เคยเจอเคี่ยอยู่ในจอมปลวกว่าเอาสัตว์ตัวหนึ่งก็แล้วกันถ <c oughs> ้าโปธตีราฟังแค่นี้เข้าใจวิธีปฏิบัติแล้ว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 เบรกตัวเองก็คือทํางานอยูนะ่ขยับตัวลุกขึ้นมาร่างกายเคลื่อนไหวแค่ร่างกายเคลื่อนไห ว, นะรร เ, ไหวเรารู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวแะ้เราทํางานมาเป็นชั่วโมงแล้วเราดูจิตไม่ไหวเหนื่อยจิตใจสับสนฟุ้งซ่านดูไม่ออกแล้รู้กายไปเราเห็นร่างกายเนี้ยเดินไปห้องน้ําผู้ชายมันก็ไปยืนฉี่นะไปยืนฉี่เสร็จแล้วแมนรู้สึกสบายใจใช่ไหมฉี่เสร็จแล้วกลุ้มใจไหมมันต้องรู้สึกสบายใจใช่ไหม